ทีนี้ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักสุเป็นอย่างไรนะพุทธจักสุคือตาอันนี้มีสําหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสทุรีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสทุรีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทาม ผู้แนะนําได้โดยง่ายผู้แนะนําได้โดยยากนะนะบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภายในประโลกอุปมาเหมือนกอบัวเขียวกอบัวแดงกอบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ําเจริญในน้ําขึ้นตามน้ําจมอยู่ในน้ําอันน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเขียวก็ดีดอกบัวแดงก็ดีดอกบัวขาวก็ดีบางเหล่าเกิดในน้ําเจริญในน้ําตั้งอยู่เสมอน้ํา ดอกบัวเขียวดอกบัวแดงดอกบัวขาวเหล่านั้นเกิดในน้ําเจริญในน้ําโผล่ขึ้นพ้นน้ําน้ําไม่ติดนะก็แบ่งเป็นแบ่งดอกบัวเป็นสามประเภทนะตรงเนี้บัวจมน้ําบัวเสมอน้ําหรือก็บัวพ้นน้ําหมือนไงน้ําก็ไม่ได้ติดนะนะสหรับบัวที่โผล่พ้นน้ําเนี่ยนะน้ําก็ไม่ติดชั้นใด พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุธุลีในปัญญาจักสุน้อยมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทามผู้อันแนะนําได้โดยง่ายผู้แนะนําได้โดยยากบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในประโลกมีอยู่ฉันนั้นนะทีนี้พระองค์ก็ทรงทราบนะคือรู้จริตรู้สับประสัตว์ รู้นิสัยจริตของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะทุกแง่มุมเหมือนกันแล้วพระองค์ก็แบ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นราคะจริตบุคคล น, นี้เป็นโทสะจริตบุคคล น, นี้เป็นโมหจริตบุคคล น, นี้เป็นวิตากกะจริตบุคคล น, นี้เป็นสัทธาจริตบุคคล น, นี้เป็นญาณจริตจําแนกแยกแย้จริตของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสบอกอสุภกถาคืออสุภกรรมฐานเนี่ยแก่ผู้ราคะจริต ตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่บุคคลผู้เป็นโทสะจริตส่งแนะนําบุคคลผู้เป็นโมหจริตให้ดํารงอยู่ในการเรียนการไต่ถามการฟังธทำตามการการสนทนาทำตามการการอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะสำคัญนะโมหจริตก็เนี่ยแหละเรียนถามฟังสนทนาตามการแล้วก็อยู่ร่วมกับครูย่อมตรัสบอกอาณาปานสติแก่บุคคลผู้เป็นวิตกจริตเนี่ยนะพวกตรึกไปมากนล้นะ มนวร์ฟุงตลอดเจะเจริญอาณาบานณสติส่วนตรัส บ, บอกพระสูตรอันเป็นนิมิต ด, ดีคือความตรัสรูด้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์และศีลทั้งหลายของตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่บุคคลผู้เป็นศรัทธาจริตอันศรัทธาจริตก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสตินั่นเองตรัส บ, บอก ธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งวิปัสนาซึ่งมีอาการไม่เที่ยงอาการเป็นทุกข์อาการเป็นอนัตตาแก่พวกที่เป็นยานจิริตแต่พวกยานาจิริตก็ประกาศไตรลักษ์เลยนะี่นะประกาศไตรลักษ์หรือประกาศรอริยสัพพ์ก็ตรัสรู้เลยสมดังคาถาประพันธ์ว่าบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาพึงเห็นหมูสัตว์โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีจักรโโดยรอบ พระองค์เนี่ยมีความโศกไปปราดแล้วทรงขึ้นสู่ปราศาสอันสำเร็จด้วยธรรมขอจงทรงพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้อาเกียนด้วยความโศกถูกชาติชราครอบงาอยู่แล้วฉันนั้นอันนี้ก็เป็นคำของท้าวมหาท้าวสามบดีพรมเนี่ยกล่าวอันสรุปว่าที่กล่าวไปก็คือพระพุทธจักสุนี่เป็นอย่างนี้นะก็คือรู้จิตรู้ความเป็นไปรู้จิตรู้อริยศัยของสรรพสัตว์เนี่ยโดยรอบหมดเลย พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสูแจ่มแจ้งแม้ด้วยสมันตะจักสูอย่างไรสมันตะจักสูก็คือพระสัพพัญยุตยานเรียกว่าสมันตะจักสุพระผู้มีพระภาคเจ้าไปใกล้ไปะนะไปไกลดีแล้วคือไปใกล้ดีแล้วเนี่ยนะเข้าถึงเข้าถึงดีแล้วเข้าไปถึงเข้าไปถึงดีแล้วประกอบแล้วด้วยสัพพัญยุตยาน สมดังคาถาประพันธ์ว่าสิ่งอะไรอะไรในไตรโลกธาตุอันพระปัญญาจักสุ ข, ของพระตถาคตนั้นน่ะไม่เห็นไม่มีอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้อันพระพุทธญาณไม่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนำมีอยู่พระตถาคตทรงทราบแล้วซึ่งธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมันตะจักสุ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยสมันตะจักสุอย่างนี้สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีจักสุแจ่มแจ้งได้แสดงแล้วนะก็มีจักสุห้าอย่างนะก็หนึ่งมังสะจักสุตาเนื้อสองปฏิพักจักสุสปัญญาจักสุสี่พุทธจักสุห้าสมันตะจักสุอย่างนี้พระองค์ผู้มีจักสุหประการเนี่ยแสดงสักขิธรรมถามว่าไอ ซึ่งสักคิธรรมเนี่ยนะซึ่งสักคีธรรมก็คือเครื่องกําจัดอันตรายสักกิธรรมแปลว่าธรร ม, มะเครื่องกําจัดอันตรายพระองค์เนี่ยผู้มีจักษุอย่างนี้แสดงธรรมเครื่องกําจัดอันตราย <tal ent> ความว่าธรร ม, มะที่ประจักษ์แก่พระองค์อันพระองค์เนี่ยทรงทราบดีเองมิใช่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเป็นดังนี้ น, นะพระองค์นี่มิใช่โดยได้ยินต่อๆกันมามิใช่โดยถือตามลําดับสืบสืบกันมา ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่โดยอ้างตำราไม่ใช่นึกเดาเอาไม่ใช่โดยการคาดคะเนไม่ใช่ตรึกตามอาการไม่ใช่โดยชอบว่าควรแก่ลทัทธิของตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสักขีธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่พระองค์ประจักษ์ด้วยพระองค์เองจริงๆแล้วก็ชื่อว่าอันตรายนี่นะที่บอกว่าธรรมะเครื่องกาจัดอันตราย ทำที่พระองค์รู้เนี่ยเป็นทำกําจัดอันตรายจริงๆถามว่าอันตรายนี่มีกี่อย่างอันตรายมีสองอย่างสองอย่างก็คืออันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดอันตรายปรากฏก็คือเห็นได้นะอันตรายปกปิดก็ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นจริงๆมันมีอ่ะแต่ว่าไม่ยอมเห็นอ่างนั้นเถอะเช่นว่าอันตรายปรากฏเป็นฉไงก็คือเช่นเนี่ยถ้าอยู่อยู่ป่าก็ก็ราชจะสีเสือโครงเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าโคกระบือช้างม้างูแมลงตองตะขรับ ตัวรักด้วยใช่ไหมตัวรักตัวเลือบทั้งหลายแล่เนี่ยนะหรือว่าพวกตะขับเนี่ยนะหรือว่าถ้าพวกโจรพวกทํากรรมชั่วคนที่จะเตรียมทํากรรมชั่วหรือโรคภัยไข้เจ็บนะโรคจากสุโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายก็โรคข้อเคล็ดเป็นต้นเนี่ยนะโรคปวดศีรษะโรคใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้ทรพิษเสื่องซึมโรค นะในท้องโรคลมโรคบิดจุกเสียดโรครากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากมองครอบลมบ้ามูหิดเปื่อยหิดด้านคุทราชหูดละลอกนะคุทราชบวมอาเจียนเป็นเลือดดีเดือดเบาหวานเริมผุพองฤๅษีดวงอาพาธมีดีมีเสมหะมีลมเป็นสมุทฐานหรือว่าสันนิบาตอาพาธเกิดจากฤดูแปรปรวนอากาศ เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอหรือว่าเกิดจากความเพียรเกินกําลังหรือว่าอาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมนะหรือว่าความหนาวนี่ก็เห็นชัดนะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดนะความปวดอุจาระความปวดปัสสาวะเนี่ยนะเรียกว่าอันตรายปรากฏ น, นะนะก็รู้ๆนะว่าทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นอันตรายจริงๆดังที่กล่าวไปส่วนอันตรายปกปิดเนี่ยนะไม่ยอมรับใช่ัหมกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะ ทำความชั่วเนี่ยใครจะนึกว่าเป็นอันตรายบ้างไม่ไม่ยอมรับกันง่ายๆนะมันถือว่าปกปิดจริงๆอ่ะนะถ้าว่านั่งเพลยเจอทั้งวันเนี่ยเอ๊ะเมียนมีโทษต ร, ตรงไหนใช่ไหมดังนั้นความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดหรือนิวรห่านะการมาฉันท่านิวรพยาบาตีนะมิธาอุทะจกุกุจาวิจิกิจฉานี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดคือไม่มีใครเห็นโทษอ่ะนะเว้นแต่บัณฑิตเนี่ยใครจะนึกว่านิวรเหล่าเนี้ยมีโทษ หรือว่าอากุศลมูลนะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะทั้งหมดว่าถ้าเรากระชอบเราชังเราไม่รู้เนี่ยเอ๊ะจะนึกว่ามันเป็นอันตรายยังไงก็เลยเรียกว่าอันตรายปกปิดหรือว่าความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรนีมายาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิน่นมัวเมาประมาทกิเลส ท, ทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเหลือร้อนอากุศลาพิสังขารทั้งปวงนี้เรียกว่าอันตรายปกปิดเนี่ยนะ ที่เรียกว่าปกปิดเพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครยอมรับน Me Me ันะเว้นบัณฑิตนันะเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเห็นถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะนนั้ทุกคนจะไม่ระวังไม่ป้องกันอันตรายเหล่านี้เลยแต่อันตรายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนี่โอ้ยรณรงค์กันจริงๆเลยนะแต่อันตรายที่เกิดจากบาปอาคุศนไม่มีการรณรงนั่นนะโรคภัยไข้เจ็บนี่มีการรณนแรงน่าดูเลยใช่ไหมแต่กิเลสนี่ไม่มีใครรณรงค์เลยเพราะเพราะไม่เห็นว่ามันมีภัยอ่ะนะ ถาไอที่ชื่อว่าอันตรายนี่เพราะหมายเขาว่ายังไงเนี่ยชื่อว่าอันตรายเพราะอัตถวะครอบงำเพราะอัตถว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะเป็นที่อยู่แห่งอกุศลจึงชื่อว่าอันตรายหรือเพราะอัตถวะครอบงำเนี่ยเป็นอันตรายอย่างไรเพราะว่าอันตรายเหล่านั้นก็ย่อมครอบงำปราบปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคล น, นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตรายนะสิ่งที่กล่าวไปที่มันเป็นอันตรายเนี่ยมาเพราะมัน ครอบงามปราปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ํายีอ่ะนะมันถูกอันตรายเหล่านี้เบียดเบียนเล่นงานทีนี้คําว่าอันตรายย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยเป็นยังไงคําว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานหายไปแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานแห่งกุศลธรรมเหล่าไหน ก็อันตารายเหล่านั้นนะ่ะย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานแห่งกุศลธรธรมเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกคือทุตเจริตสานิวรห้อกุศลมูลสาอุปกิเลสอากุศลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ไม่ปฏิบัติชอบมันเป็นอันตารายต่อการปฏิบัติชอบเป็นอันตารายต่อการปฏิบัติสมควรเป็นอันตารายต่อการปฏิบัติไม่เป็นค่าศึก เป็นอันตรายต่อความปฏิบัติตามประโยชน์เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำเพราะฉะนั้นทุจริญเป็นต้นเนี่ยนะทุจริญนิวออากุสลมูลอุปกิเลศอ่ะพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อการทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายศีลเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดเนี่ยศีลอันตรานใช่ไหม เพราะฉะนั้นพวกนี้ทําให้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทําให้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะทําให้ไม่ประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นเป็นอันตรายต่อสติสัมปชัญญะเป็นอันตรายต่อการเจริญสติประฐานสี่สัมมาประธาน4ที่บาสสี 5, 5, 7, อินทรีย์หพละหโพชฌงเจ็อรยมักมีองค์8เพราะฉะนั้นอันตรายเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความเสื่อมรอบแห่งกุศลธรรมดังที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามันเป็นอันตรายจริงๆมันเป็นไปเพื่อความเสื่อม เสื่อมขนาดไหนอะก็เนี่ยเสื่อมจนขนาดมาเป็นจักจันรเรไรร้รองระ ง, งมไพร่อยู่ในป่าเรานี่แหละแม้กระทั่งจะตกนรกหนักกว่านี้กันมากเนี่ยนะทีนี้ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะที่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่อยู่แห่งอกขุสรธรรมทั้งหลาย น, นะมันจึงเรียกว่าเป็นอันตรายนะมันเป็นที่อยู่แห่งบาปสารพัดะนะอธิบายว่า อกุศลธรรมอลามกเหล่านั şey, ้นย <t ry> ่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมอาศัยอยู่ในอัตภาพนั้นเปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยน้ําอยู่ในน้าสัตว์ที่อาศัยป่าอยู่ในป่าสัตว์ที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดในอัตภาพนั้นย่อมเป็นไปเนี่ยนีอาศัยอยู่ในอัตภาพเอ๊ะบาปไม่ได้อยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่งอยู่นี่แหละมันอยู่ตามนี่นี่แหละ ทวารตรงไหนมั่งบาปไม่โผล่มาได้เอา น, นะ น, นะทุกทวารเลยนะตาหูจมูกลิ้นร่างกายกายส่วนไหนมั่งบาปไม่กำเริบเอาแล้วในใจด้วยนะใจเนี่ยเจจิตดวงไหนเจตสิกไหนมั่งกิเลสไม่อาศัยมัง่งอ้าไม่เกิดโดยสัมพยุทธ์ก็เกิดโดยอารมณ์ไม่เกิดด้วยอารมณ์ก็เกิดโดยอุปนิสัยอ่นนะนะมันก็พื้นเปี้ยกอยู่ในบาปปุสนเหล่านี้แหละ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาเสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจา ร, รย์ย่อมอยู่ลําบากไม่พาสุขดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิกษุผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลําบากไม่พาสุขอย่างไรนะอาจารย์สิทธิ์สิทธ์อาจารย์ในทีน่นี้เน้นที่อกขุสนนะนะว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายอาัอกุศลธรรมอัลลามกมีความดําริอันซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแก่สังโยชต ย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูจนในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นรู้กระทบโพธพภะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจเนี่ยอากุศลธรรมอ ล, ลามกเหล่านั้นย่อมสร้างไปภายในแห่งพิสูุนั้นเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงเรียกพิสูจนนั้นอยู่ร่วมกับอันเตวาสิกพอเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้รโพธพภะใจนึกคิดเป็นอากุศลเนี่ยเรียกว่าอยู่ร่วมกับลุกสิตแล้ว ทีนี้อากุศลธรรมอัลามกเหล่านั้นก็ย er ่อมกลุ oh. ่มรุมพิกษุเหล่านั้นน่ะนะกิเลสมันก็เสี่ยมสอนน่ะนะเอางี้สิทํางั้นสิไปเรื่อยอย่างงี้แหละพิกษุนั้นจึงเรียกว่าอยู like skin, ่ร่วมกับอาจารย์ตอนที่อกุศลเกิดก็รู้อยู่ร่วมกับสิทธิพออกุศลส่งเสริมเสี่อมสอนเนี่ยนะก็เหมือนกับอาจารย์เนี่ยเสี่ยมสอนนั้นทุกทวารเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดูความพิสูตทั้งหลายภิกษุที่อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมเป็นผู้อยู่ลําบากไม่พาสุกอย่างนี้แล เพราะฉะนั้นอากุศลละธรรมเหล่านั้นน่จึงชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายจริงๆอ่ะนะแล้วแต่สิทธ์มันจะสิทธ์ก็นอนก้นกุฏิอยู่นั่นแหละนะอาจารย์ก็เสียมสอนไายสอนเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นๆ น, นี่แหละว่างนั้น่ะนะ